เหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลตอนที่สิบเจ็ดเรามาศึกษากันต่อนะจากหนังสือเหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลเราถึงหน้าที่หนึ่งร้อยสี่ขึ้นหัวข้อ ปะชาดะแม่หัวข้อเขาดูเดือดชีวิตพวกนี้จึงถือสากันตลอดเวลาอย่าว่าแต่ทำมากมากเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องมีเรื่องมีราวกันมันถือสาไปหมดด้วยความหลงในศักดิ์ศรีฐานะแห่งตนหลงความสำคัญวงเล็บก็คืออัตตาแห่งตนแต่ไม่ได้โดนก็ไม่ยอม ต้องการและรักที่จะให้กรีบกุหลาบเท่านั้นมาลูบไล้ตัวแหม่สำนวนเขาเหลือกินอยากจะให้สิ่งที่ดีมาสัมผัสตัวทำอย่างกับเป็นดวงดาราที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งสูงสูงแต่ในความหวานนั่นแหละรสขมที่สุดมันนั่งกระดิกเท้ารออยู่แล้วเออเขาเข้าใจเปรียบเทียบเหมือนกันนะ คือเขาจะให้เห็นถึงกิเลสนะตัวที่เรียกว่าคนเราเนี่ยเทวตมาเคยบอกว่ารักสุขแล้วก็เกลียดทุกนะอันนี้เป็นสัญชตาตญาณของคนเราธรรมดานะที่จะมีจิตอย่างนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะไม่ว่าจะในแง่มุมของกามก็ตามในแง่มุมของเรื่องกินก็ตามเรื่องนอนก็ตามเราก็ปรารถนาที่จะ ให้ได้ถูกใจให้ได้สมใจนะอยู่เสมอเลยเราไม่อยากที่จะไปเจอสิ่งที่มันขัดใจอย่างเรื่องกามนะเราก็ไม่อยากที่จะโดนขัดใจเรื่องกินเราก็ไม่อยากโดนขัดใจเรื่องนอนเราก็ไม่อยากโดนขัดใจแต่ใครก็ตามที่ยิ่งนะอยากมีอยากเป็นนะตามกิเลสเนี่ยแหละเรื่องกามเรื่องกินเรื่องนอนเนี่ยแหละ คนไหนยิ่งอยากที่จะมีมากเท่าไหร่นะครคนนั้นก็ยิ่งจะต้องสัมผัสหรือว่ายิ่งจะต้องเจอกับความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นเป็นมุมกลับตามไปเท่านั้นเพราะอะไรเพราะใครยิ่งปรารถนามากเนี่ยยิ่งมีความต้องการมากเนี่ยเหมือนกันที่เขาเปรียบเนี่ยเหมือนกันกบแม้อยากจะได้ เหมือนกับกรีบกราบมารูปไลฟ์อะไรอย่างนี้นะโอ้ยิ่งปาร์ตนาญฝันเลยละเพื่อง่ายฝันให้มันดีให้มันเลิศมากเท่าไหร่ก็ตามโอกาสที่คนนั้นจะผิดหวังนะยิ่งมากเท่านั้นไม่ต้องเอาอื่นไกลนะยังไม่ต้องไปเจอของจริงเอาแค่เรื่องความคิดก็พอแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหคิดอะไรสูงสูงหวังอะไรสูงสูงอยากได้แต่อะไรดีๆ ตามที่ใจตัวเองจะคิดไปได้นะเพรา ะ, ะนั้นแค่แค่ตัวแค่ความคิดเท่านั้นเองพอคนนั้นเนี่ยไปคิดสูงสูงหวังสูงสู ง, สงนะยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ตามแต่ความเป็นจริงแล้วบางทีมันมันไม่ได้อย่างนั้นเสมอไปบางครั้งมันก็ผิดหวังบางครั้งมันก็ไม่ได้อย่างใจหวังเพราะนั้นคราวไหนครั้งไหนที่มันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเอาไว้เนี่ยก็เท่ากับว่าไอ้ที่เราหวังไวนะ้น่ะ มันผิดหวังเมื่อมันผิดหวังเนี่ยมันจะตกลงมาจากที่สูงมากยิ่งหวังสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งตกลงมาถึงถึงอะไรถึงพื้นหรือว่าถึงถึงไอ้ตรงจุดที่เราเนี่ยไม่คาดหวังมากเท่านั้นแหละแล้วก็ยิ่งเจ็บมากยิ่งเจ็บลึกยิ่งเจ็บหนักส่วนคนที่ไม่ค่อยหวังอะไรมากฟังดูนะคนที่ไม่หวังอะไรสูงเนี่ยยิงไม่หวังอะไรมาก เพราะฉะนั้นคนนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่ได้ไปอะไรอะ่ะไปตั้งจิตอะไรไว้จนสูงเกินไ ป, ป, ปเพราะฉะนั้นเมื่อคนนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่สมหวงังหรือแม้จะผิดหวังเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ไม่ปีนบันไดขึ้นไปสูง<อ>เวลาตกลงมาถึงพื้นมันก็เตี้ยนหน่อยมันก็เจ็บน้อยหน่อยแต่ใครเนี่ยอยากจะปีนขึ้นไปสูงมากๆปีนขึ้ไปสูงมากๆเวลาตกลงมามก็เจ็บมากเพราะว่ามันมันยิ่งปีนสูงมากเท่าไหร่ แม้แต่เรื่องความคิดก็ตามนะแต่พูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเลยกลายเป็นว่าเราก็เลยกลายเป็นคนหวังอะไรเตี้ยเตี้นะหรือว่าไม่ต้องหวังอะไรเลยในชีวิตนี้เอนะไม่ต้องไปก้าวหน้าก้าวหลังดีกว่าเนะีนก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกนะไอ้นะั่นมันก็โตมาอีกมุมหนึ่งเหมือนกันคนที่ก้าวหลังนี่คือหมายถึงพวก สั่งกระตายชีวิตอยู่ไปวันๆแบบไม่ใช่อยู่ไปวันๆฝันถึงดวงดาวนะอันนี้อยู่ไปวันๆฝันถึงคนตมเนี่ยมันมันมันกลายไปอีกมุมหนึ่งแล้วมันก็ไม่เป็นความพอดีไม่เป็นความพร้อมเหมาะของชีวิตมันกลายเป็นคนที่อยู่แบบเบื่อเบื่อเซ็งเซงอยู่แบบโมตอะไรตายอยากไปทั้งเกลียดดูเถอะบาทีทำอะไรทาทาไปก็อึด พวกนี้จะตกฐานอื่นฐานเฉยทาไปอย่างนั้นแนะีวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้จะมีชีวิตไปทำไมกันไม่ร้แ <c oughs> นะ่นองเนี่ยทาไปทาไป <c oughs> พวกนี้มักจะไม่กระฉับกระเฉงมักจะไม่จำใสมักจะไม่อะไรแอคทีฟนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือมักจะไม่ active ส่วนไอ้พวกที่หวังสูงเกินไปบางทีโอ้โห อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นอะไร อ, ไอ่ะสอสอยากจะเป็นอะไรดีที่ยใหญ่ๆ ห, หน่อยผู้จัดการอยากจะเป็นอะไรอีกคือไอ้พวกที่บางทีหวังสูงมากเกินไปนี่ก็โอ้โหแอคทีฟมากเกินไปนะบางทีจนกระทั่งเหยียบหัวเพื่อนเหยียบหัวเพื่อนขึ้นไปเลยเพราะว่ามันต้องการที่จะให้ได้อย่างที่ต้องการหรือว่าที่หวังเอาไว้ ตามเป้าหมายสูงๆนั้นเพราะนั้นบางทีพวกนี้ก็เลยพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้พไไดเพื่อที่จะให้สมหวังนะมันก็จะกลายไปเป็นอย่างนั้นไปนะไอ้อย่างนี้ก็คือหลงอีกเหมือนกันหลงลาบยศเสรเสรสุขที่มันจะเป็นไปแบบโลกโลกแล้วก็เลยจะเอาให้ได้จะทำให้ได้เยอะแ ย, ยะเลยเราไปเห็นในวงสังคมเยอะแ ย, ยะเลยนะจะมอีอาการลักษณะเนี่ย จนกระทั่งเนี่ยแหละไปดูเถอะตามบริษัทห้างร้านหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่โอ้โหแข่งแย่งลิษยสกันอะไรต่างๆนานามากมายอันนี้เรามาเข้าต่อที่เขาบอกว่าชีวิตไม่ใช่การเอาอกเอาใจกันประคองกันพูดจาเพราะเพาะหวานหวานหรือกระทบกันไม่ได้ เพราะหากเป็นเช่นนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ชีวิตแต่เป็นชีวิตเทียมคือเขาพูดเาพูดหมายความว่าว่าเลยไม่ใช่กลายเป็นแหม่ต้องคอยเอาใจกันหรือว่าต้องอะไรอ่ะพูดกันแต่ดีๆเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งแบบว่าให้คุมทรัพย์กันหรือติติงเตือนกันอะไรกันไม่ได้เลยเนี่ยมันมันบอกแล้วชีวิตจริงๆเนี่ยมัน อะไรอ่ะมันไม่ใช่มีมุมใดมุมหนึ่งหรอกชีวิตจริงๆเนี่ยมันจะมีทั้งสองมุมหรอกนะโดนดินทาก็มีได้รับสรรเสริญก็จะมีนะมันจะมีทั้งสองมุมแต่ว่าเราเนี่ยไม่เราไม่ได้ดินทานะแต่เราติติงเตือนกันเข้าใจไหมดินทานี่มันจะใช้ในอาคุโสระจิตหรือว่าเจตนาร้าย นะที่เราใช้วนินทาแต่การติติงเตือนกันนี่เราใช้ในแง่ของความปรารถนาดีความเมตตาความที่จะต้องการให้อะไรแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้มันถูกต้องขึ้นมานะเราปรารถนาดาีส่วนสา ร, รเสริญเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ไปหลงหรือว่าไปติดในสา ร, รเสริญ แต่ถ้าเราทําดีไปแน่นอนก็ต้องมีคนชมคนยกย่องแน่นอนหนีไปพ้นแต่เราก็ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปปรารถนานะมันมีของมันก็มีของมันเองนะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันอแค่นี้เองเหรอหัวข้อนี้ฮะทไมมันสั้นจู่อย่างนี้อโอ้โหฟังหัวข้อน่ากลัวจังเลย เขาบอกว่าปะฉาดะอัตมาก็นึกว่าคงจะซัด ก, กันอุตรุณนัวเลยนะนี่อ่านมารู้สึกไม่ไม่เห็นจะมีอะไรมากเลยนะอ้าวเดี๋ยวหัวข้อต่อไปฟังแล้วก็แปลกๆเหมือนกันนะหัวข้อต่อไปเด็กแงเป็นไงเด็กแงชีวิตที่รักแต่กีบกราบจึงทนความผิดหวังไม่ได้ถ้าหากจะมี ทุกคนต้องทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการผิดจากนี้เป็นไม่ได้อผิดจากนี้เป็นไม่ยอมเด็ดขาดผู้อื่นจึงเปรียบเหมือนข้าทาสบริวารที่จะต้องคอยเอาใจคอยทําตามเมื่อบอกให้ทําก็ต้องทําเมื่อให้ช่วยก็ต้องช่วยขัดขืนไม่ได้มิฉะนั้นก็จะโมโหโกรธาจะคุนเคืองจะน้อยใจ พวกเหล่านี้จึงมีอารมณ์ที่ไม่รู้ที่มาและที่ไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและพลอยทำให้เก้อเขินง่ายไปยิ่งเก้อเขินง่ายก็ยิ่งจะกลัวเสียหน้ามากยิ่งกลัวเสียหน้ามากก็ยิ่งกลัวทำผิดในการงานมากจะทำกิจการใดก็กลัวผิดกลัวพลาดเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่ค่อยให้อภัยแก่ตัวเอง ขนาดตนเองอันเป็นที่รักยังไม่ให้อภัยจะให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นได้อย่างไรยิ่งความกลัวมีมากขึ้นก็ทำให้เป็นผู้ไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าสร้างสรรค์ไม่กล้าออกเสียงแสดงความคิดเห็นต่อหมู่กลุ่มเป็นใบทางวาจีและใบแม้กายกรรมนะอันนี้เด็กแงเด็กแงก็คงหมายถึงว่า อะไรอ่ะิิไซเหมือนเด็กๆนั่นแหละลูกแงใช่ลูกแ ง, กแงนี่หมายความว่างไงลูกแงอ่อนแอติดแม่อะไรอย่างนี้ใช่หมใช่หรือเปล่าติดแม่ทาอะไรไม่เป็นนะ่ะนะเรียกว่าต้องคอยให้แม่ทาให้อยู่ตลอดเนี่ยอานะเรียกแบบลูกแงในที่นี้เนี่ยเขาก็หมายถึงว่านั่นแหละ หมายถึงคนที่อ่อนแอนะทางจิตใจก็ตามหรือแม้แต่พฤติกรรมการงานอะไรต่างๆก็ตามอ่อนแอไปหมดแหละทําเองแทบไม่เป็นจริงๆไ ม, ไม่ใช่ทําเองไม่เป็นหรอกจริงๆแล้วก็คือว่าไม่ยอมทําไม่ยอมทําหรือไม่กล้าทําหรือกลัวที่จะทําเพราะฉะนั้นก็เลยให้คนอื่นมาทําให้นะจนกระทั่งติดนิสัยเคยชิน ก็จะเป็นคนขาดความเชื่อมั่นเมื่อขาดความเชื่อมั่นคนนั้นก็เลยต้องให้คนอื่นช่วยอยู่ตลอดการเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นลูกแง่ไม่โตสักทีเอ๊ผู้ใหญ่แง่นะโตแต่ตัวนะแต่จิตยังเป็นเด็กแง่อยู่เออเท่าทาลกเออใช่เท่าทาลกนะก็ระวังพวกเราเองเนี่ยแม้ปฏิบัติธรรมอาตัวนี้เอาเอา เข้าในการปฏิบัติธรรมของพวกเรานะบางคนเนี่ยถือศีลก็แล้วนะศีลก็รู้อยู่นะแต่เป็นไงไม่มีการเพิ่มมาที่ศีลไม่มีการอะไรอะ่ะวิรัตตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นเลยไม่เพียงแต่สิ่งที่ตัวเองเคยทำได้เคยมีได้เนี่ยไม่สูงขึ้นเท่านั้นนะที่มีอยู่นี่ก็ยังหย่อนแล้วก็ยัง ให้มันตกลงไปเรื่อยๆให้มันตกลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนนั้ น, น dem, จิตใจก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆเข้าใจไหมแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่อ่อนแอลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆถ้าอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งอยู่นานไปก็ยิ่งกลายเป็นเด็กมากขึ้นแ ต, ต, ต่ตัวตัวโตขึ้นเพราะว่าอยู่นานมากขึ้นใช่ไหมอายุมากขึ้นแต่จิตวิญญาณ น, นี่ ก, กลับเด็กลงไปเรื่อยเด็กลงไปเรื่อยเด็กลงไปเรื่อยอย่างนี้ แ, แหละก็คือเด็กแง่ แต่ก่อนนี้บางคนเคยถือศีลอย่างดีเลยเอาศีนเอาศีนเท่าที่ตัวเองถืออะศีนแปดก็ตามศีลห้าก็ตา ม, คามเคยถือได้อย่างดีคดเคยทําได้แต่ไปๆมาๆนะ เ, า เ, จนนเจอหนุ่นเจอนี่เจอนัน่นฟุ้งซ่านบ้างนะปรุงไอ้โน่นปรุงไอ้นี่บ้างบงจิตนะนะจนในที่สุดก็เลยค่อยค่อย จากศีล5้าก็เหลือศีลสจากศีลสก็ค่อยเหลือศีลสามมาเลยนันลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยน่ไปดูเอาว่าเออเราเป็นเด็กแงอย่างนี้ไหมจนในที่สุดเนี่ยก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเออเราถือศีลได้หรือเปล่าเนี่ยจะถือศีล5้าได้หรือเปล่าเห็นไหมถ้าในที่สุดนะคนนี้แม้ศีล5ถือไม่ได้เพราะว่ามันมันมันไม่เชื่อมั่นตัวเองแล้วเพราะตัวเองเนี่ยอ่อนแอลงเรื่อยๆอ่อนแอลงเรื่อย ในที่สุดไม่เชื่อมั่นจริงๆไม่เชื่อมั่นจริงๆมันยิ่งกลัวยิ่งไม่กล้าเหมือนกับหลายคนน่ยที่กระเด็นกระดอนออกไปจากหมู่กลุ่มหรือว่าอะไรเนี่ยจนในที่สุดไม่เชื่อว่าตัวเองจะถือศีลได้อายหมู่อายกลุ่มนะเมื่อยิ่งอายเมื่อยิ่งกลัวแล้วก็ยิ่งไม่กล้าที่จะถือศีลที่ตัวเองเคยถือได้เพวันคนนี้นี่ก็เลยยิ่งไม่กล้าเข้าหมู่ยิ่งไม่กล้าเข้ากลุ่มไม่กล้าเจอคนที่เคยรู้จักเพราะว่าอะไร พอเจอแล้วก็กลัวจะโดนถามว่าอ้าวแต่นี่เป็นไงยังกีนมังซูลาตอยู่หรือเปล่ากลัวกลัวเนะกลัวจะถามยิ่งโดยเฉพาถ้าเจอธรรมนาเนี่ยยิ่งกลัวกลัวว่าเอวเดี๋ยวท่านจะถามอาเป็นไงเดีย๋ยวนี้ไปแต่งงานแล้วยังมีลูกเต้าหรือยังกลัวจังเลยนะเพราะฉะนั้นจะให้เห็นได้ว่าเออนะเนี่ยถ้าเราเองเนี่ย แม้ว่าบางทีเนี่ยเราอยู่วัดก็ต้องพยายามนะอย่าไปให้มันย่อย่อนอย่าไปให้มันปล่อยกายวาจาใจของเราเนี่ยให้มันมากนักไม่อย่างนั้นแล้วเราจะกลายเป็นลูกแง่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันอ่อนแอนะขนาดบางคนเนี่ยยังอยู่วัดอยู่นะแต่จิตมันอ่อนแอจนกระทั่งไม่เชื่อมั่นตัวเองเลยว่าจะอยู่วัดได้ถึงขนาดนั้นอนะ โอ้โหอาตมาก็ว่าแม่มันน่าลําบากใจแล้วละ่ะถ้าถึงขั้นนั้นแสดงให้เห็นว่าจิตมันไม่มีพลังเลยแล้วก็ไม่รู้จักปลุกกําลังตัวเองนะไม่รู้จักหายุทธวิธีนะหาแนวความคิดอะไรที่มันจะมาเกื้อหนุนจิตวิญญาณตัวเองให้เกิดพลังจิตพลังใจขึ้นมาในการที่จะปรับจิตตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันมีวิธีการตั้งเยอะตั้งหลายอย่าง บางคนอา้าไปคุยกับเพื่อนหรือว่าไปคุยกับนักบวชที่จะมีความรู้หรือว่าสามารถจะแนะแนวทางให้เราเนี่ยปรับจิตเปลี่ยนใจได้บางคนนะอาตมาเคยเขียนบทเพลงของคนโง่บทเพลงของคนโง่บทสุดท้ายนะที่อาตมาเขียนคือจะมีหลายระดับแต่ว่าระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือคนโง่ที่รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอ รู้แล้วว่าตัวเองไปไม่รอ ด, ดแน่แน่คนช่วยก็มีอยู่พร้อมคนช่วยเนี่ยก็พร้อมจะช่วยอยู่แล้วก็ยังไม่ไปหา <c oughs> เออ <c oughs> เสร็จแล้วยังไงรู้ไหมไม่เพียงแต่ไม่ไปหานะคนช่วยเข้ามาถึงที่แล้วเขาพยายามช่วยอยู่ขณะที่เขาพยายามช่วยอยู่ <c oughs> เขาพยายามแนะนํา <c oughs> เขาจะพยายามบอกไปเนี่ยนะยังไม่รับอีกโอ้โหอัตมาว่าตายแน่คนนี้ไม่รอดแล้วนี่เป็น บทเพลงของคนโง่บทสุดท้ายแล้วนะแล้วคราวนี้ไม่เพียงแต่ไม่รับความช่วยเหลือจากผู้ที่เขาปรารถนามาช่วยเหลือเท่านั้นนะไม่เพียงแต่ไม่รับนะจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยจริงๆคนเราต้องรักตัวเองมากที่สุดแต่จิตวิญญาณตัวเองนี่ยังไม่ยอมช่วยตัวเองนะ <c oughs> เนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าถึงจิตเราถึงขั้นนี้แล้วตายแน่นะ รับรองว่าไปไม่รอดเพราะว่าพอถึงขั้นนี้เนี่ยคือจิตมันหมดพลังหมดแล้วเขาถึงมีสำนวนแงอันตมาก็อามาพูดบ่อยว่าคนที่หมดกําลังใจก็คือคนที่หมดสิ้นทุกอย่างมันเหมือนอย่างนั้นแหละคนที่หมดกําลังใจนี่คือคนหมดสิ้นทุกอย่างนะถ้าลองใครถ้าถึงขั้นหมดกําลังใจตัวเองแม้แต่จะช่วยเหลือตัวเองหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วเพราะคนอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถมาช่วยเราได้จริงๆหรอก เขาเพียงแต่ได้อย่างเก่งก็ได้แต่มาพูดมาแนะนาเท่านั้นเองเอาอย่างเช่นแม้แ ม, แม้แต่กินข้าวเองอย่างนี้กิรแรงก็มีกินนะแค่เอามือไปตักเอาช้อนยัดใส่ปากนะแค่นี้ตักเองก็ได้แต่หมดกำลังใจหมดกำลังใจี่โมโหมือไม้ไม่อยากทำะไรนะต้องให้คนเข า, เาต้องให้คนเขามา ยกมือให้ป้อนให้โอ้ก็คิดดูป้อนก็ยังจะตายนะเพราะว่ามันไม่ยอมเคี้ยวอะ่ะบ้านใส่ปากเสร็จเฉยเนี่ยตายแน่รับรองว่าไม่รอดหรอกยกเว้นว่าเขาต้องเอาไอ้น้ำเกลือมาเนีมาให้อีกแต่ก็เดี๋ยวก็ตายไม่นานหรอก <c oughs> <c oughs> เออเพราะว่าอะไรเพราะมันมันไม่อยากมันไม่อยากไม่อยากไม่อยากเนี่ย เดี๋ยวก็ตายเพราะจิตคนเราเนี่ยมั น, ม, นมีพลังจิตเหมือนกันไอคนที่มันเหมือนกับสะกดจิตตัวเองให้เหี่ยวแห้งลงไปให้เหี่ยวแห้งลงไปหเหี่ยวแห้งไปมันก็เหี่ยวแห้งจริงๆอะ่ะเดี๋ยวอวัยวะอะไรต่างๆก็ล้วนหมดแหละเออยิ่งไม่ยอมกินไม่ยอมอะไรเดี๋ยวก็ตายนะตอมใจตายในที่สุดเนี่ยเขาถึงบอกเนี่ยเห็นไหมไม่กล้าสร้างสรรค์เลยไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหมู่กลุม่มกลายเป็นคนใบ้อกอ็ ทั้งทางวาจาทั้งทางกายกรรมนั่นแหละอันนี้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วมันหนักแล้วเรียกว่ามันมันไม่อยากที่จะเคลื่อนไหวแล้วสังเกตไหมบางทีเราเองเนี่ยเราไปเจอปัญหาหรือว่าเจอความทุกข์ร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันถึงขั้นซึมอ่ะมันถึงขั้นซึมเอาแล้วถึงขั้นซึมคิดยังไม่อยากจะคิดเลยเพราะคิดไปแล้วมันก็ทุกข์มันก็กุ้มอะขนาดคิดเนี่ยมันรู้ว่าถ้า ปล่อยจิตฟุ้งไปมันก็กุ้มขนาดคิดนี่มันยังพยายามจะดับเลยนะพยายามไม่คิดแตม่มันหยุดคิดไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าจิตมันยังแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ปุ้งไปเรื่อยแต่ใจตัวเองเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยจนกระทั่งเรียกว่าจิตของตัวเองเนี่ยมันมันขี้เกียจขนาดแม้แต่จิตก็จะไม่อยากจะคิดโอ้โหเรียกว่ามันแย่มากเราถึงขั้นนี้นั้นแล้วก็ตามริมฟุบ ป, ป่า หรือใต้ต้นไม้อันคล้มเย็นเราหมอดูดวงชะตาราศีทั้งทั้งหลายจึงยังคงขายดิบขายดีเพราะมนุษย์ต่างก็ยังต้องการยังฝันหวานจะฟังแต่สิ่งที่ตัวเองชอบจะฟังแต่สิ่งที่ตัวเองชอบใจของพวกเขาคิดคาดการล่วงหน้าก่อนหมอดูเสียอีกพวกเขายังหลงไหลในราบ ยศสารเสริญสุขการเป็นคนชอบดูอนาคตของตัวเองสิ้นสุดลงเมื่อใดความหลงไหลในสี่ตัวนี้ก็เห็นจะต้องเจือจางลงเป็นแน่เพราะที่สุดของผู้พ้นทุกอยู่ที่เดี๋ยวนี้เท่านั้นกิจของเขาจะไม่ก้าวล่วงผ่านหมอกแห่งอดีตหรือแม้ม่านแห่งอนาคต คืออันนี้เขาพูดถึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มันมีปัญหาหรือว่ามีทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่าหลงในโลกธรรมเนี่แหละลาบยศสรรเสริญสุขนะก็เลยทําให้มันก็หวังอยู่แต่สิ่งเหล่านี้แหละเมื่อหวังอยู่แต่สิ่ ง, งเหล่านี้เนี่ยนะในที่สุดมันก็สมหวังมั่งผิดหวังมั่งตามเรื่องตามราวอ่ะนะก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแต่เมื่อจิตใจอ่อนแอไม่เชื่อมั่นตัวเอง แต่ยังคงอยากได้ลาบยศเสรเสรสุขอยู่ทั้งทั้งที่คนนั้นอ่อนแอก็ตามเพราะเมื่อคนเราอ่อนแอเนี่ยนะไม่หวังพึ่งตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าจิตใจเนี่ยมันไม่เชื่อมันในตัวเองเพรา ะ, ะนั้นก็เลยต้องไปสร้างความเชื่อมั่นจากคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เรียกว่าหมอดูนะก็เอาเอาเอ า, เอาความเชื่อมั่นเหล่านี้ไปให้หมอดูตัดสินให้ ว่าเออจะเป็นยังไงตัดสินมากลายเป็นเหมือนกับนักโทษไปรอฟังคำสั่งคำตัดสินจากผู้พิพากษ า, ศาอย่างนั้นแหละมันก็กลายไปเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ฉลาดเลยนั่นแล้ในที่สุดตัวเองก็ไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะว่าความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ริกิดแล้วเราเป็นผู้ดนบันดาลไม่ใช่คนอื่น คนอื่นตัดสินอะไรเราไม่ได้เลยชีวิตจริงๆนี่เราเป็นผู้ตัดสินเองไม่มีใครมาตัดสินให้เราได้นะแต่แทนที่เขาจะตัดสินเนี่ยเขากลับไปให้คนอื่นตัดสินตามใดใครก็ตามที่ยังต้องให้คนอื่นตัดสินใจให้กับชีวิตของเราเองตราบนั้นแสดงว่าคนนั้นยังไม่มีวันพ้นทุกข์ได้อ่าขึ้นหัวข้อใหม่คนดีมีคนเดียว เมื่อหลงว่าตัวเองเป็นเพชรนั้นรุนแรงขึ้นก็ย่อมรักที่จะให้ผู้อื่นสรรเสริญยกย่องในความเก่งความดีแห่งตนหลงไหลได้ปลื้มในวัจีอันหวานเพื่อตนเมื่อจะเอ่ยวาจาคลาใดก็จะพูดแต่เรื่องของตัวเรื่องส่วนตัวของตนไม่ว่าจะเอ่ยออกมาทีใดก็ล้วนเคลือบแฝงโน้มน้อมเจตนาให้ยกย่องชมเชยตนสรรเสริญตน นับถือบูชาตนแม้จะเหยียบย่ำชีวิตอื่นๆก็ยินดีใส่ร้ายป้ายสีเขาก็เต็มใจคมเขาลับหลังก็รื่นเริงณจุดนี้ความหลงค่าชีวิตของตนเองเริ่มเพาะเชื้ออนันตริยกรรมน้อยๆขึ้นมาแล้วสุดท้ายอย่าว่าแต่จะพูดทับถมคนอื่นเพื่อตัวเองเลยหากเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่น เป็นอดคันหูไม่ได้นะจริงๆมันก็คันปากด้วยนะต้องรีบเข้าไปฟังและอดคันปากตัวเองไม่ได้ที่จะพูดถึงความไม่ดีของผู้อื่นความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาได้เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างแล้วนั่นคือชอบพูดเรื่องชั่วๆของคนอื่นส่วนเรื่องดีๆนั้นเคาะเคาะนี่ก็ใช้ภาษาแบบคนเล่นไพ่นะ นะเขาบ่งเล็บว่าสตอปจริงๆมาสตอปที่ไหนไม่ได้สต t อปเลยจริงๆนอนสต็อปมากกว่านะคือเรื่องเรื่องชั่วๆของคนอื่นเนี่ยใช่ชอบพูดใช่ไหมในนี้เขาบอกว่าส่วนเรื่องดีๆนั้นเคาะคื อ, ค, อคือไม่พูดแต่ความจริงนะพูดทำไมจะไม่พูดนะก็พูดอยู่เหมือนกันแหละทำไมจะไม่พูด นะแต่พอพูดเรื่องดีคนอื่นนะต่อให้พูดเรื่องดีคนอื่นเนี่ยพอพูดถึงตัวเองก็ตัวเองก็ดีกว่าอยู่เสมอแหละว่าคนเรามันก็ไม่โง่เหมือนกันเนะ่ยไอ้ที่จะไม่พูดดีคนอื่นมั่งเลยเนี่ยใครเขาจะไปยอมอยู่ด้วยเหรอเพราะยั้นงต้องมีแต่พอพูดดีคนอื่นปั๊บก็ต้องพูดดีของตัวเองที่เหนือกว่าอยู่ล่ำไปเลยนะเป็นการขม่มเป็นการอะไรอะ่ะเตทับกันนี่ยอยู่เรื่อยไปอะ่ะ เพราะนั้นมันไม่เคาะหรอกนะเคาะนี่หมายถึงว่ามันหยุดแล้วถ้าถ้าเป็นคนที่เคยเล่นไพ่มาเคาะนี่คือหยุดนะไม่มีการเกทับกันแต่ไม่ความเป็นจริงแล้วถ้าลองพูดแต่เรื่องชั่วของคนอื่นมุมเดียวเลยนะคนนั้นน่ะอาตมาว่าอายุสั้นแน่เลยเพราะมันจะมีมีพูดเรื่องดีของอื่นเหมือนกันแหละแต่พอพูดดีของคนอื่นเนี่ยพูดนิดเดียวพูดน้อย ว่าพูดดีของตัวเองนี่พูดเยอะแต่เวลาพูดชั่วของอื่นพูดชั่วของเขา อ, อ, อื่นมากแต่ของตัวเองเนี่ยแหมพูดชั่วน้อยหรืออาจจะไม่ยอมพูดชั่วของตัวเองเลยจะพยายามปกปิดแล้วก็ซ่อนเร้นโดยซ้ําไป น, นขึ้นหัวข้อคนขี้เกรงใจนะครบทบาทของโรคธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสรรเสริญดินทานั้นยิ่งบรรเรงก็ยิ่งซ่อนลึกจะทําอะไรก็เขินประมา วงเล็บ อ, อุทธ จ, จักอยู่ตลอดเวลาและอย่าว่าแต่จะทาอะไรก็กลัวเขาว่าแม้แต่การเกรงใจก็กลายเป็นพวกเดียวกันแท้จริงมันไม่ได้เกรงใจเพื่อผู้อื่นหลอกแต่เพื่อตัวเองแท้แท้กลัวภาพพท์ที่ถูกมองจะเป็นไปในทางลบในทางไม่ดีในทางว่ากล่าวในทางติเตียนแม้เขา จะไม่เ อ, อ่ยเอื้อนออกมาแต่จิตใจก็ทนไม่ได้ที่ทําให้เขามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแม้แต่แค่ความคิดยิ่งเห็นเขาลําบากเพราะเราก็ยิ่งทนไม่ได้เพราะตัวเองคิดว่าความลําบากกับความไม่ชอบมักจะอยู่ด้วยกันจริงหรอือเปล่าความลําบากกับความไม่ชอบมักจะอยู่ด้วยกันฮะจริงเหรอ อ้าวแล้วถ้าลำบากแล้วชอบไม่ได้เ ห, ออหรอมัความลำบากแล้วชอบอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอคน ไ, ไ, <อ>ไม่ชอบลำบากคืออันนี้เนี่ยเขาพูดในแง่มุมของคนที่มีอีกโก้นะคนที่มีอัตตามานะในทิศทางของกิเลสเขาพูดในในแง่ว่าคนขี้เกงใจ นะคือถ้าเกรงใจจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแต่ในลักษณะนี้เขาพูดว่ามันไม่จริงไม่ได้เกรงใจจริงแต่จริงๆแล้วรักตัวเองนั่แล้วทำทีเหมือนกับเกรงใจแต่โดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้เกรงใจคนอื่นเขาแต่กลัวกลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่กลัวเขาว่ากลัวเขาด่ากลัวเขาตีอะไรก็เลยเกรงใจนะอะไรอย่างเงี้ย